เมื่อวานมาหาหลวงพ่อนะม า, มาพูดในห้องนี้ด้วยจิตใจที่ห้าหาันนี่ใครอยู่บ้างเมาาื่อวานมีไหมว่าเยอะนะอิจฉาไหมน่าอิจฉาที่สุดเลยแต่อย่าอิจฉาเลยเขาทําหัวเขามาเขาฟังซีดีหลวงพ่อเพียงเดือนเดียวเลยคนไม่เคยภาวนาเลยแต่แกตามดูไปเรื่อยๆใจของแกน่าเข้าถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานแกพูดด้วยความห้าหาัน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 วันนึงจะเป็นพระอรหันต์วันใดที่เห็นวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์ยกเว้นแต่ไปเห็นตอนยี่สิบสี่นาฬิกาแป้งเนาะนอีกวินทีหนึ่งอาจจะไม่ทันเลยข้ามวันซะก่อนรวมแล้วไม่เกินสองวันนะพู้ที่ไม่เห็นตติจารสุบาทเนยจะมีมิจฉาทิฐิชนิดหนึ่งนะชื่ออัตตทิฐิอัตตาทิฐิก็คือตัวเรามีอยู่จริงๆนะตัวเรามีจริงๆ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 คจริงสลบไปตั้งห้ารอครั้งไปแยกคำว่าสงบกับสลบไม่ออกเมืนะ่อเราทำสมาธิไม่ได้อย่าท้อแท้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำใิ้พันนาต้องทำสมาธิก่อนไม่ใช่นั่นเป็นความเข้าใจผิดนะในพระไตรปิฎกไม่ได้สอนอย่างนั้นถ้านนุนบอกเลยมีบางคนใช้ปัญญานำสมาธิเราดูความเปลี่ยนแปลงไป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 อย่างพอการมาชันทะเกิดขึ้นสติะระลึกรู้การมาชันทะดับพอพยาบาทเกิดขึ้นสติะระลึกรู้พยาบาทก็ดับนะพอความฟุ้งซ่านตำคาญใจเกิดขึ้นสติะระลึกรู้มันก็ดับพอความลังเลสงสัยเกิดขึ้นสติะระลึกรู้มันก็ดับนะรวมความแล้วก็คือไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นสติะระลึกรู้แล้วมันดับ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 อย่างที่หนึ่งสำหรับคนทำฌานทั่วท่ไปอย่างที่สองสำหรับคนทำฌานไม่เป็นอย่างที่สามสำหรับคนทำฌานที่เดินมิปัสสนาดได้เดินมิปัสสนาดได้ในฌานบางคนบอกเป็นไปไม่ได้ในพระพิธรรมสอนนะบอกว่านักดูจิตเนี่ยพวกที่ดูจิตเนี่ยแม้ไปอยู่ในอรู ป, ปรพรมตายแล้วไปเกิดในอรู ป, ประพรมยังดูจิตได้เนะน่ในพระพิธรรมสอนไว้ เออหลวงพ่อเทศยากไปไหมวันนี้เทศอะไรก็ไม่รู้นะเฉลอยจะมีพวกมีปัญญาแก่กล้ามากมาเรียนสรุปง่ายๆนะตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกกายรู้สึกใจไปตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายนอนอยู่ท่าไหนก็รู้สึกหรือจิตใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ะ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 คนไม่รู้เรื่องนร่งๆ่ายพวกรู้มากยากนานเห็นไหมบอกมาทั้งงานละประโยคนี้หลวงพ่อพูดมานานแล้วใช่ไหรู้มากยากนานนึกออกไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นนพูดมานานแล้วเห็นไหมนี่แกไม่ได้ทำอะไรแกเก็บผักแกเก็บผักแกกวาดบ้านแกซักผ้าแ็ทำงานทำไปทั้งวันสมาธิก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอยาก่างมีสติเท่านั้นสติเห็นกายมันทางานสติเห็นจิตมันทางาน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 จะไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามมอย่ายินสมควรทําอะไรก็ทําไม่สมควรทําก็ไม่ทําแต่ไม่ยินอย่ายินกับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเรื่องโกหกทั้งสองฝ่ายมันเรื่องหลอกหลอกกนะันนั่นแหละมันเรื่องช่วคราวเป็นเรื่องโลกโลกอย่าทิ้งการปฏิบัติของเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็ดูของเราอย่างเนี้ยวันหนึ่งเราก็ได้ธรรมะ